อาจารย์พรมอาจารย์พรมมาวังโซท่านเป็นพระชาอังกฤษนะมาบวชปฏิบัติกระหลวงพ่อชาตอนหลังก็ไปสอนที่ออสเตรเลียก็มีญาติโยมนะช า, ชาวออสเตรเลียชาวฝรั่งมาอ่า สัทธานับถือท่านมากนะท่าน ก, ก็ได้ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆมากมายแต่เวลาอยู่วัดเนี่ยก็จะมีโยมมาขอพรจากท่านโดยเพราะเวลามีการแต่งงานคนะู่แต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาขอให้อาจารม์รรให้พรแล้วให้ ธรรมะท่านก็บอกว่าเวลาใครมาขอธรรมะจากท่านโดยพ่อที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยท่านก็จะพยายามพูดให้ดีที่สุดตั้งใจทําให้ดีที่สุดเตุผลง่ายๆคือว่ามันเป็นประยวกับท่านเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามีภรรยาอยู่กันไปแล้ว ไม่มีธรรมะนะก็จะทะเลาะบอแวงกันเสร็จ แ, แล้วก็ต้องมาให้ท่านแกนะ้ช่วยแก้ปัญหาช่วยช่วยคืนดีท่านบอกว่าเป็นภาระกับท่านมากนะเพราะนันเนี่ยเพื่อความเพื่อความเพื่อลดปัญหานะที่เกิดขึ้นกับท่านนะท่านก็จะให้คาแนะนำให้ธรรมะนะตั้งแต่ตอนที่เขาแต่งงานใหม่ๆ ห, หนะ เขาจะได้ไม่มีปัญหามารบกวนท่านในเวลาหลังในภายหลังนะอันนี้เขาเหตุผลกับท่านนะท่านก็พูดกับผีเล่นผจริงก็มีสามีภรรยาคูหนึ่งก็มาหาท่านเป็นฝรั่งนะท่านก็พูดกับสามีแล้วว่าเนี่ยก็อย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะทำได้ไหมสามีบอกทำได้นะจะพยายามไม่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วพูดกับ ภรยาเจ้าสาวเนี่ยเธอก็จะอย่าคิดแต่ตัวเองนะทำได้ไหมทำได้ขาดนะดิฉันจะอย่าไม่คิดถแง่แต่ตัวเองเแล้วท่านก็ไปขันไปที่สามีแล้วก็ผู้ว่านี่อีกอย่างนึงก็คืออย่านึกถึงภรรยานะ สามีหรือเจ้าบ้านก็ก็เอใจหรือว่ารู้สึก อ, อ, อั้มอึงนะว่าเอถ้าจะไม่คิดถึงภรรยามันจะทำได้ยังไงนะแล้วมันจะดีเรยนะไม่คิดถึงแต่ตัวเองก็ดีแล้วนะแต่ว่าไม่คิดถึงภรรยาเนี่ยมันจะมันจะดีเนะก็นึกคัดค้านในใจ กับภรรยาท่านก็บอกมกันดนะ้ว่าอย่าคิดถึงแต่สามีนะภรรยาหรือเจ้าสาวก็คัดค้านในใจว่าเแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงนะถ้าหากว่าสามีเนี่ยไม่นึดถึงภรรยาภรรยาไม่นิดถึงสามีแในชีวิตคู่มันจะลาบลื่นหรือท่านก็บอกว่าลาบลื่นแน่นะถ้าหากว่าแทนที่เราจะ นึกถึงตัวเองหรือว่านึกถึงภรรยานะนะเรานึกถึงแต่คำว่าเรานะนึกถึงแต่คำว่าเรานะไม่มีฉันไม่มีเธอมีแต่คำว่าเราอันนี้ต่างหากนที่ควรจะมีนะคือท่านแนะนำให้สามีภรรยาเนี่ยนะให้นึกถึงแต่คำว่าเราเวลาเวลาสามีมีปัญหาก็ ให้ภรรยานึกว่าเนี่ยนี่คือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของสามีเวลาภรรยามีปัญหาก็ให้สามีนึกว่าเนี่ยนี่คือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของภรรยาเพราะ <t iny> ว่าถ้าสามีเนี่ย <t iny kiss> ไปมองว่าเนี่ย <t iny kiss> นี่เป็นปัญหาของเธอก็นะไม่คิดจะไปร่วมแก้ไขเวลาภรรยานึกในใจว่าเนี่ยนี่เป็นปัญหาของเธอ <t iny kiss> เป็นปัญหาของสามี ก็ไม่คิดจะไปร่วมมือแก้ไขนะแต่ถ้าเกิดว่านึกว่าปัญหาของภรรยาคือปัญหาของเราปัญหาสามีคือปัญหาของเราก็จะเกิดความใส่ใจอยากจะไปร่วมทุกขร่วมสุขด้วยนะอันนี้ก็เป็นคําสอนท่านที่น่าสนใจนะก็คือว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมันควรจะนึกถึงตัวเองแล้วก็อย่านึกถึงแค่คนอื่นนะแต่ให้นึกถึงคำว่าเรา อันนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับการคลองคลองชีวิตคู่เท่านั้นนะการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะมันก็จะมีประโยชน์ามากเท่าเราคิดแต่คําว่าเราไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีกูไม่มีมึงนะมีแต่คําว่าเราอันนี้ก็ใช้ได้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะแม้กระทั่งตอนนี้มีข่าวนะเรื่องโรฮิง ญ, ญานะชาวโรฮิง ญ, ญา อบพยพหนีภัยจากพม่าลอยเรือมากลางทะเลนะบอก ว, ว่าไม่มีประเทศไหนรับเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าหรือว่าประเทศไทยมาเลแล้วก็อินโดนีเซียนคนไทยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรับเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระมากนะเพราะว่าจะมีตามมากันอีกเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเราจะเลี้ยงดูยังไงไหวนะส่วนใหญ่ก็ม่ถึงประเปรียบของชาตินะ เรืว่าเนี่ยมันจะเป็นภาระกับประเทศชาติอย่างไรบ้างแต่ความคิดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังมีเขามีเรานะมีความคิดว่านี่เราฉันไทยนี่แกเป็นโรฮิงญาเป็นพมา่าไอ้ความคิดแบบมีเขามีเรานะฉันไทยแก่พม่านะฉันพุทธแกอิสลามพวกนี้นะมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายนะแล้วถึงเวลาที่ใครตกทุกได้ยากจะร่วมมือกันก็ยาก ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลเนี่ยนะคนไทยจำนวนมากก็เข้าไปช่วยนะเพราะไม่ได้รู้สึกว่าเออนี่คือคนเนปาล น, นะแต่เขาเราคิดว่าเนี่ยคือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ยากเดือดร้อนกนะ็ไปช่วยไ อ, อ้ความคิดแบี้ดีๆคือเอาความเป็นมนุษย์เป็นตัวตั้งเอาความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันก็คือเรานะั่ยแหละนะคิดถึงว่าเออนี่เพื่อนเรานะเดือดร้อนเราก็ไปช่วย แต่ถ้าพอเราคิดว่านี่ฉันไทยนะเธอเมปานหรือว่าฉันไทยแก่พมา่าฉันไทยแกโรฮิยญานี่อันนี้มันก็จะเกิดช่องว่างหรือเส้นแบ่งขึ้นมาซึ่งทําให้เรารับรู้ความทุกข์ของอีกฝ่ายนึงได้น้อยลงนะก็จะนึกถึงละว่าเออรับเข้ามาแล้วนี่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแค่ไหนรับเข้ามาแล้วจะเป็นภาระกับประเทศชาติแค่ไหนก็มองแค่นี้ ไอ้การมองว่าการมองอะไรเนี่ยด้วยความคิดว่าเป็นเรานะมันทำให้เกิดความกลมกลืนทาให้เกิดเมตตากรุณาทาให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกลูลกันนะมันใช้ได้ไม่ว่าจะในชีวิตครอบครัวในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือว่าการอยู่ร่วมกันกับคนทั้งโลกนะอย่ามีแต่ควมว่าตัวฉันตัวฉั น, ฉนหรือตัวเธอนะึกถึงฉันก็ไม่ดีนะนึกถึงเธอบ้าง แต่ถ้าพอไม่ถงเธอแล้วนะมันไม่มีคําว่าเรามันก็จะกลายเป็นคนละพวกกันง่ายๆแล้วก็เ อ, อ, อื้อเฟื้อเกอืเกอ้อกูนกันถ้าเราเทียบปัญหาโ ร, รฮิงญาคือปัญหาของเราด้วยถ้าคนไทยทุกคนนะเทียปัญหาโ ร, รฮิงญาคือปัญหาของเราก็คงจะใยาจะช่วยเหลือเขามากกว่าที่อยากจะผลักไสออกไปอาราเทียมรับพรนี่เห็น อิชิตังปฏิตังตุมหังท อ, อยเถรพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสเิชาตุโดงสําเร็จโดยชาพรชาเพผููเรนตุสังกปะขอความสามีทั้งพวงด่งเต็มที่จันโทปนาราโสยาาัตถะเหมือนพระจันในวันเพ็ญมณีชโชติราโสยาาัตถะเมื่แกมณีอันสว่างส ว, ยวยัยควรดี สาธิตโยวิวาชันตุปานจารย์ทั้งปวงจงบราไปสาธาโรโควินาสาธุเราทั้งพวงของท่านจงหายมาเตควะตวันตาไรโยอันตาไรยามีแก่ท่านสุจิธิพายุโภคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุ สาธุวาจาณสิริสนิจามตาละายโนยัตตาโรธรรมวาตาสียุวันโนสุขังภะระตานสีปะการืออายุวันณสุขภะระย่อมเจริญแก่บุคคนนปติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมก่อผู้ใหญ่ชนนี้ปวัตุสักมาคาราออสากมามงคลจงมีแก่ท่าน ราพันตูสะปเทวตาภราเทวตาทั้งปวงโยรักษาท่านสาพาภูทานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระโสจต่างโสทิพพวันตูเต ขาสวัสดีท่างรลายโยมมีแก่ท่านดุเมื่อเธอปฏิสังทาโยนิโสพิทตปาังปุิเสวามีเนวะทวายนามาทาาณมาทนายะทนายายาวาเทวาอิมาสกายาสาธิตียาปนาญาปรติยาพระมาริยานุพาหายา อิธิปุราณะเจวะันะปิหังคามีนวันเจวะธนาเอสานิยาราจเมีพวิสติอนาวาชตาจพัสวิหารโรจา